นะโมจตสังฆะวัตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมจตสังฆะวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมจตสังฆะวัโต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 นโมพุทธาย ะ, ะใช้คำใหม่นะใช้คำว่านโมพุทธายะแทนอ่าวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาสแสดงดําในได้นำเอาการรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสแสดงให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังวันนี้จะพูดเรื่อง อานาปานสตินะอาณาปานสัตติเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดสัู้ตัดสู้ด้วยอานาปานสัตติตัดสัู้ด้วยอริยสัจสีก็อันเดียวกันนี่เองเพราะอานาปานสัตติเป็นศูนย์รวมของธรรมทั้งหลาย <c oughs> ทำแปดหมื0นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็รวมอยู่ที่อานาปานสตินี่เองอนาปานสติมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในนั้นมีมรรคแปดอยู่ในนั้นพระสูตรก็คือสูตรลมเข้าน่เอง ทำแปด0มืนอยู่ในนั้นพระวินัยก็คือหายใจออกส่วนองค์พระประมัติคือพุทโธก็สิงสถิตอยู่ในลมหายใจนี้เองเพราะพยะเจ้า จ, จึงตั้งศาสนาใส่หัวใจของสัตว์สามแดนโลกธาตุกามโลก รูปโลกอรลปโลกลวนเตมีพุทโธอยู่ที่นั้นพระพุทเจ้าเอาพระเจ้าจึงตั้งศาสนาใส่หัวใจของสัตว์สามแดนโลกกระถาให้พากันเข้าใจอย่างนี้จึงแนะนำให้ใชายอาณาปานสติเป็นคำ เป็นกรรมฐานเป็นคำบริกรรมคำภาวนาอานาปานสติเมื่อบุคคลใดจเจริญทำให้มากแล้วก็จะได้เกโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันหาในช่วงจิตสมบุบ เรียกว่าเกโตวิมุตตออกจากนั้นก็จะได้ปัญญาวิมุตตเกโตวิมุตตปัญญาวิมุตตสิ้นอาสาวิกิเลสในทิคตธรรมนี้หรือหากมีอุปธิเหลืออยู่ก็ได้เป็นพระอนาคามีนี่ ขนาดนั้นนะลมหายใจเฉยๆให้ภากันสนใจหน่อย <c oughs> ไม่รู้ว่าลมหายใจคืออะไรเกิดมาเมื่อภาวนาริงไม่รู้เรื่องมันมีลมหายใจอยู่นั่นแหละลมหายใจนี่อะกิง อาณาปานสตินี้จึงแบ่งออกเป็นสิบหกข้อสิบหกข้อย่อลงมาสี่หมวดหมวดละสี่ข้อเรียกว่าสติประฐานสี่สี่ข้อสี่6ี่สิบหกสติประฐานสี่ผู้ภาวนา ก็ให้เข้าใจเรื่องสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ก็คือลมหายใจนั่นเองฐานทั้งสีกก่ก็คือลมหายใจทนไหวเห็นกายในกายก็คือลมหายใจเห็นเวทนาก็คือลมหายใจเห็นกิต ในจิตเห็นธรรมในธรรมเวทนาจิตธรรมเนี่ยเมื่ออาลาบ้านนาสติบริบูรณ์ก็จะได้สติปทานสี่ขึ้นมาเมื่อสติปทานสี่บริบูรณ์ก็จะได้โทษิชงเจตขึ้นมาพร้อมๆกันเมื่อโพธิชงเจตบริบูรณ์ ก็จะได้วิชาและวิมุตต์บริบูรณ์จิตก็หลุดพน้นจากขันห้าสินอาส า, าจเกเลดักขันห้าได้พ็เข้าสู่พระนิพพานนี่อาณาปานสติจึงเป็นของสำคัญมากนะให้เราทำความเข้าใจ อานาป่าอาณาก็แปลว่าลมหายใจเขา้าปานะก็แปลว่าหายใจออกเอาสติมาแลเ้เล็ดรู้ลมหายใจเขา้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นนานๆเขาก็เรียกว่าบริบูรณ์ง่ายๆในการการทำ แต่เราก็ไปคิดยากก็เลยมันก็ยากจำความคิดอานาปันสติสิบหกขั้นแบ่งออกเป็นส่หมวดหมวดและสีข้อหรือแยกย่อๆว่ากายเวทนาจิตธรรมอ่อา จ, จะอธิบายให้ฟังลมให้แยกเข้าออกนี่ะท่านเรียกว่าเห็นกายในกาย ลมหายใจ พ, พ่ะพุทธเจ้าเรียกว่ากายในกายในอ่าพ่อเข้าใจไหมกายในกายละเอียดลมหายใจนีเรียกว่าลูกธรรมจิต อ, อาศัยอยู่ในลมก็เรียกว่าใจ หรือเรียกว่านามธรรมลมหายใจนี้จึงสมมุติตั้งชื่อเรียกใหม่ว่ากายกับใจหรือลูกธรรมนามธรรมหรือเรียกว่าขันห้าหพอนื้ออกไหมล่ะเห็นขันห้าไหมเห็นรู้อยากขันห้าหรื อ, อยัง ขันอยากนั่งอยู่นขันอยากขันละเอียดคือลมหายใจที่กินพระองค์ว่าขันมันซ้อนกันสีขันเราไม่เคยรู้ว่าขันมันซ้อนกันอยู่อย่างนี้ขันที่แรกก็ขันขันกามมโลกขันหยา ขันขันละเอียดก็คือลมหายใจลมหายใจขันขั้นละเอียดขันขันสุขุมก็คือลูกชายขันขั้นแบบนี้เรียกว่าอลูกชายขนาดได้ขนาดนี้จิตของเรา มันจะไปท่องเที่ยวอยู่ใน3ามแ ด, ดนโลกธาตุนีถ้าตายถห็ลูกเั็นเสียงจิตก็ท่องเที่ยวอยู่ในกามโลกถ้ า, าลมหายใจเบาสงบลงนิดหน่อยจิตก็ไปเที่ยวอยู่รูปฌานหรือพรมมเาเลยบางทีอยู่เฉยๆรู้จักสึกว่าไม่มีอะไรว่าง เป็นอากาศจิตของเราก็ไปท่องเที่ยวอยูในอรูปม์มสามแนลนนอชาตการมะโลกโลกูโลกโูกวันหนึ่งวันหนึ่งจิตมันจะหมุนโดยเราไม่รู้สึกตัววันนี้ก็จะพูดเห็นกายในกาย สติปัญสี่หมวดที่หนึ่งเห็นกายในกายกายในที่นี่คือลมหายใจวิ่งเข้าไปในกายอยากใช่ไหมเห็นเข้าไปไหมหรือไม่เคยเห็นเลือจีอไม่เคยดูกายอยาของเลยวิ่งเข้าไปท่าก็เรียกว่าอัดสาสะ มันเข้าไปปรุงแต่งเอาลมเอาออกซิเจนไปปรุงแต่งกลหยาบให้อยู่ได้เวลามันออกมาเขาเรียกว่าปัดสาสะปัดออกมามมนี่นะท่านว่าเห็นกาย หนไปปรุงแต่งกาอันอยากเอาไว้เห็นกายในกายเรียกว่าอัตตาสระลมหายใจเข้าจําได้ไหมลมหายใจเข้าเรียกว่าอัตตาสะลมหายใจออกเรียกว่าปัตตาสระปัดออกมาหรือเห็นอยกว่าพัะสูตรก็สืบสูตรลมเข้าดีเอง เราไม่เคยเห็นพสูตรถ้าเห็นมองเห็นลมเข้าคนเรียกว่าเราเห็นพสูตรอยู่เราไม่ได้ออกกับพระวิ น, นัยวินัยโยแปลว่าขนของเสียออกมาทีข้างในของร่างกายของเรามันมีพิษมีภัยมีอันตรายอยู่ เวลาลมหายใจออกมาวิญญาณโยแปลว่าขนของเสียออกไปทิ้งเคยได้ยินไหมล่ะเอาออกมามันก็เอาโควิดใช่ไหมเอา้าไปด้งวายละกันมันเอาของเสียออกมาทิ้นอนอยู่ด้วยกันกับสามีกับลูกกับหลานก็ปิดโควิดด้วยกันเนะห็นใช่ไหมล่ะ นะมันเป็นอย่างนี้มันเของร้อนของเน่าของเหม็นอยู่ข้างในถ้าไม่เอาลมไม่ระบายออกมาแตกมันร้อนมากข้างในขนของเสียออกมาทีในลมในใจมันเรียกว่ามีละอองของเสียของ ไม่บริสุทธิ์ออกมาละใบออกมาทิ้งถ้าไม่ละบายออกมาทิ้ง ม, ม, มันอยู่ไม่ได้พระพุทธองค์ตัดว่าอย่างนี้นะวิญญอยู่นี่แหละทัดสู่อทอดวิญญาณก็เนี่เห็นกายในกายก็เห็นกายในที่นี่คืออะไรคืออะไร คือลมหายใจลมหายใจมันก็มีลมยาวออกยาวบางทีก็สั้นออกสั้นมันก็มีแค่ น, นี้อัดสัศษรัศษทีคังวาหมวดที่หนึ่งเรียกว่าเห็นกายในกายทีคังวาอัดรัสั้นโต เป็นภาษาบาลีภาษาพาุทธเจ้าที่คาเดบยาวที่ทั้งวาอัจสรินโตเห็นลมหายใจเด็กเข้ายาวออกยาวเวลาเราปฏิบัติทำจริงให้กำหนดสติมาลูลมเข้ายาวออกยาว อยู่9าครั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งแล้วก็หายใจเข้าสั้นออกสันก็เรียกว่ารัดสั่งว่าอัศสั้นโตเพราะนี่เห็นลมยาวลมสั้นอ่ามีข้อที่สองจะว่ารัดสังว่าอัศสั้นโตข้อสอ พ่อสามหมวดที่หนึ่งก็คือสัพพกายังปฏิสั่งเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงนะไม่เป็นรู้ที่เด่นนะระยะขณะนั้นรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงกายทั้งปวงมหมายถึงกายหยากกายละเอียดลมหยากลมละเอียดลมสั้นลมยาว นี่นี่ยสัพพกายังปฏิสั่งเวทีเราอ่านได้ก็ท่องได้นะอามาาปานาปฏนะิแต่เราไม่รู้ว่าสัพพกายังปฏิสั่งเวทีคืออะไรใช่ไหมสัวได้ น, นะบางคนรู้พร้อมเฉพาะซสื่องกายทั้งปวงลมสั้นลมยาวลมหยาบลมละเอียดแล้วก็รู้ทั้งกลนอกไกลยในกายทั้งปวง นี่สัพพกายังปฏิสั่งเวทีปฏิบัมิพยังกายสั่งพลังข้อที่สี่ทำกายสังขารให้ลำนับทำแปลท่านก็แปลไว้อย่างนั้นเราไม่รู้ว่ากายสังขารคืออะไรรู้ไหมล่ะฮะกายสังขารคือลมหายใจ เข้าสั่นเข้ายาวนี่นหะเรียกว่าอัจฉะปัจฉะเรียกว่ากายยางขานมันไปกรุงแต่งกายอยากให้ทรงตัวอยู่ได้ท่านจึงเรียก ว, ว่าสับพระกายยังปฏิสังเวทีรู้พร้อมถึงกายทั้งปวงปัดช้ำพะยังกายยาช่างขยันทากายสังขานให้ดังนับดางับแปลว่าดับลง ดับลงเราจะดับลมห้ใจด้วยเหตุผลกลนอะไรการอะไรก็ตามทำเบาลงเข้าเบาลงออกเบาลงทำให้มันเบาลงเบาลงผ่อนลงผ่อนลงทำให้กายยาสังขารํำรับดับลงหมวดที่หนึ่งมีสี่ข้อ ที่ําว่าอัศ ส, สัตโตหลักสร้ว่าอัศ ส, สัตโตสัพพกายยังปฏิสั้งเวทีปฏิซ้ำพยังกายยังสร้างพลังทำกายสั้างขานให้ลังับดัดลมเข้าใจไหมกายยังสางันคือลมหายใจเข้าหายใจออกมันไปปรุงแต่งกายให้อยู่ได้พระองค์จึงเรียกลมหายใจเข้าออกว่า กายสังขารจะดับด้วยวิธีอะไรก็าตามด้วยการผ่อนลมนั่งดูไปเอาสติจับอยู่ยกสติยกกิจขึ้นสู่อารมเอาลมหายใจเป็นอารมณ์สั้นโล่งจิตเอาสติจดจ้องเอาสติเพ่งอยู่กำหนดอยู่วิตกวิจารอยู่ในลมหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้น สั้นนี้ยาวก็จำให้นิสติอยู่อย่างแล้วก็ผ่อนลงเรื่อยๆยาวจะเป็นสัน้นสั้นจะเป็นยาวลมจะเบาลงเบาลงเยาว์กายและหูกายและหูจิตก็และหูความนั้ดพวงแตงก็เบาล ง, ลงาก า, า ย, ลายลกลาแาล้วครับคือลมหายใจระงับดับลง ลมหายใจคืออะไรคืออะไรคือขันห้าใช่ไหมรูปธรรมนามธรรมกายระงับจิตระงับนามธรรมกับระงับลงก็คงเหลือตั้งแต่ลมดับลงก็เหลือตั้งแต่จิตเป็นผู้รู้รู้รูจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิ ได้เจโตวิมุตติง่ายๆเท่านี้ไม่ได้ทำอะไรหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสมถะภาวนาต่อไปถ้ายังไม่ละนัดดับลงเราก็จะตากดเห็นปีนติคือลมกำลังเบาลงเบาลงดูไปดูมามันจกเบาเองนะ พอน ล, ลมลงพอน ล, ลมลงมันจะเกิดปีติความเช่นเข่นเบิกบานขึ้นมาอิ่มอกอิ่มใจกระปีกป้กระเป๋าขึ้นมาขนลุกขนชอพลองจะย้อมก้าวขึ้นมาเรียก ว, ว่าปีติเมื่อปีติสุขปีติเกิดสุขก็จะเกิดตามมาพอลมหายใจถ้ามันมันยังไม่สงบ น, นั้นลอบนี้มันผ่านไปเป็นไปเห็นปีติ พอปีติเกิดสุขก็จะตามมาแล้วก็ปีติปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติอยู่ก็ไปสุขก็จะมาเกิดขึ้นมาก็รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขสุขปฏิสังเวทีอปีติสุขนี่มันจะเป็นอารมณ์ อารมณ์นี้จะไปประกอบจิตของเราจิตของเราเป็นรู้ๆรู้ๆอยู่เฉยๆใจมันจะเป็นการรู้อยู่เฉยๆพอปิติสุขไปประกอบเรี่ยไปเกติสุขเกอ่์เรียกว่าจิตตะสังขารจึงเรียกชื่อว่าจิตตะสังขารละปฏิสังเขที นี่เวทนาปีติสุขนี่แหละท่านเรียกว่าเวทนาเข้าใจเวทนาไหมล้วก็เห็นเวทนาเกิดขึ้นเห็นปีติสุขเกิดขึ้นปีติสุขนี่ก็จะไปประกอบกิตของเรากิตของเราจึงเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ว่ากิตตังขาละปฏิสั่งเวทีกิตก็เป็นจิต ผสมปรุงแต่งขึ้นมามีปีติสุขเข้าไปปรุงแต่งกิจกิจของเราจึงเรียกชื่อว่าเวทนาเข้าใจเวทนาไหมเราเกิดเวทนาปีติสุขเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวปีติสุขนี่แหละเรียกว่าเวทนาพอนึกออกไหมอ่ะนักภาวนาฮะนี่แหละ ปีติสุขนี่เราเรียกว่าเวทนาแล้วก็เห็นเวทนาเกิดขึ้นในจิตจิตของเราก็ถูกปรุงแต่งจึงเรียกว่าจิตตะสังขาระปฏิสังเวทีนี่หมวดที่สองข้อที่สามจิตถูกปรุงแต่งปีติสุขไปประกอบจิตจิตจึงเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ว่าจิตตะสังขาระปฏิสังเวที หรือเราเห็นเวทนาเกิดขึ้นสุขะเวทนาปีติสุขนี่แหละเรียกว่าเวทนาเข้าใจไหมล่ะเวทนาเห็นเวทนาเกิดขึ้นในจิตเห็นเวทนาในเวทนาแล้วก็จะทำเวทนานี่ให้ดับลงปัดซ้ำพยัง จิตตะสั้างข้ารังทำจิตตะสั้างขานให้รังนับทำเวทนาให้รังับดับลงเมื่อเวทนาดับลงก็คงเหลือตั้งแต่จิตใช่ไหมละ่ะเป็นผู้รู้รู้รอยู่ต่อไปก็เป็นหมวดที่สามเห็นจิตในจิตแล้วก็จะเห็นจิตเป็นผู้รู้ กิตตปฏิสั่งเวทีเป็นภาษาบาลีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกิจเพราะไมออกนะรู้กิจเจ้าของเป็นผู้รู้รู้รู้รู้อยู่เฉยๆแล้วก็อพิปะโมถ้ายังกิจตังทำกิจให้ปะโมดเล่นเลิงเบืกบานอยู่กำหนด ทำจิตให้ประโมดลรื่งเลิงเบิกบานอยู่เมื่อหายใจเขา้าหายใจออกทำอยู่อย่างนั้นจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิเรียกว่าสมาทหังจิตตังสมมาทะก็คือสมาธินั่นเองมันเกิดขึ้นเองสมาทัแห่งจิตังจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิ ข้อที่สี่ในหมวดที่สี่หมวดที่สามิบโมจะยังกิจตัณทากิดให้ปล่อยวางแปลว่าอย่างนี้ปล่อยวางอะไรล่ะแล้วก็อ่านได้อยู่ในอนาปานนสติปล่อยวางจากอารมณ์หรืออย่างอารมณ์ไหมอารมณ์ในอดีต อารมณ์ในอนาคตอารมณ์ในปัจจุบันจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตวางอารมณ์ออกต้องทำํทำทําจิตให้ปล่อยวางอยู่อย่างนี้เมื่อหายใจเขา้าหายใจออกทาจิตให้ปล่อยวางว่างจากอารมณ์ในสามการจิตก็จะว่าง สว่างท่องใสนุ่มนวลเป็นธรรมชาติใครเคยลงถึงจุดนี้แล้วก็จะเห็นจิตว่างสว่างท่องใสปล่อยวางโลกวางอารมณ์วางสมมติออกมดอดวิมโมจะยันจิตตันงทำจิตให้ปล่อยวางเมื่อลมหายใจเข้า หายใจออกก็ทำจิตให้ปล่อยวางจากอารมณ์ทั้งตัวจิตก็ว่างจากโลกว่างจากอารมณ์ผ่องใสสว่างสวัยค้อบจักรวาลก็เรียกว่าได้เกโตวิมุดสามหมวดแรกนี้เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตสงเคราะห์รวมเข้า เป็นสัมม า, าภาวนาทำจิตให้สงบอย่างใดอย่างหนึ่งสงบถ้าไม่สงบตั้งแต่เห็นกายในกายก็มาสงบรอบที่สองเห็นเวทนาในเวทนาถ้าไม่สงบจนไม่เห็นจิตในจิตว่างสว่างทองใสนี่คือ เกโตวิมุตติหลุดพ้นจากขันห้าตอนเข้าสมาธิตอนเข้าฌานเข้าสมาธิสามหมวดนี้เรียกว่าสมถ ภ, ภาวนาต่อไปหมวดที่สี่สติปัฏฐานหมวดที่สี่เห็นธรรมในธรรม อืมเรากําหนดดูในลมให้ใจนี่นะเห็นธรรมในธรรมเห็นอะไรเห็นอะไรพอนี้ออกไหมเห็นธรรมฮ ะ, ะเห็นธรรมธรรมคืออะไรเฮ้คือกายกับใจใช่ไหมอะไรคือกายกับใจต้องรู้จักนะมาฟังลมให้ใจคือกาย ใช่ไหมจิตอาศัยอยู่ในลมเผอใจใกล้กับใจคือขันห้ารูปธรรมนามธรรมนี่นี่ไเห็นธรรมเห็นธรรมนะรู้จักธรรมยยหรือยังนะรู้จักธรรมหรืยอยังไม่ใช่ไปเห็นที่อื่นนะเห็นอะไรเห็นกายกับใจเห็นลมคือกายในรูปธรรมจิตอาศัยอยู่ในลมคือ ใจนามธรรมรูปธรรมนามธรรมลมหายใจมันเข้าใช่ไหมเข้าสั้นเข้ายาก็ตามเรยกว่าเข้าก็เรียกว่าขันห้าวิ่งเข้าไปเรียกว่าขันห้าเกิดใช่ไหมใช่ไหมเห็นมันเกิอดหรือยังหายดูใช่ั้ยหายใจอ่ะเกิอดหรือยัง อสูตรเข้าไปก็เรียกว่าเห็นพระสูตรใช่ไหมล่ะเเห็นพอวินในดับเกิดดับเห็นวิญญาณวินคือลมมันหมุนอยู่อย่างนี้พระองค์จึงเรียกว่าวินงรู้จากวินงไหมไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์นะ <c oughs> วิ่วินมันลมหายใจมันหมุน หมุนเข้าหมุนออกเหมือนพัดลมเียงแบบวิบนส่วนจิตอาศัยในลมเรียกว่าอะไรฮะจิตคือผู้รู้ก็เรียกวิญญาณวิญญาณมันเข้าออกเข้าออกเข้าออกหมุนอยู่อย่างนี้จึงเรียกว่าวิญญาณเกิดเข้าก็เรียกว่าเกิดออกก็เรียกว่าดับ หรือตายมันออกมามันมาที่ซากศพเราไว้แค่นี้ลมใหม่เข้าไปจยกิจก็ยิ่งเข้าไปกับลมเกิดตายเกิดดับเกิดดับเห็นข้าหน้าเกิดดับนี่วิญญาณเกิดดับใช่ไหมรู้จักวิญญาณไหมล่ะทีนหม วิญญาณนี้เรียกว่าใจเกิดดับลมให้ใจเกิดดับเวลาลมออกมาใจหายไหมฮะใจยังเร็วอยู่ใช่ไหมแต่ลมหายไปใช่ไหมเนี่ยเวลาเข้าไปมันเข้าไปด้วยกันเวลาออกมาลมหาย ใจเหลืออยู่ไหมฮะถ้าไม่เหลือกอดาจเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะถ้าหายไปกับลมตายแต่มั น, ม, นมันไม่ไปมันมาอยู่แค่นี้เรียกว่าตายชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าขานิกะมอระนังเคยสังเกตเห็นเจ้าของตายไหมเลยเห็นเราตายไหมผมไปเกิดมาแบบนี้ไม่เห็นตายทั้ทีเลยเห็นเลยยัง หายใจดูไหมเกิดดับเกิดตายเกิดตายไม่ให้หายใจทิ้งเฉยๆหายใจให้มีสติรู้ว่าลม้มหายใจนี่คือเราใช่ไหมล่ะเราเกิดนึกออกไหมล่ะทา่านนี่ไม่ให้หลับใจได้มันไม่เห็นเข้าใจได้หลับใจเรา ตายเห็นหรือยังเห็นเกิดเห็นตายหรือยังทางโน่นน่ะนะพี่นาไปพร้อมเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเราเกิดเราใจากี่ครั้งฮะนับได้ไหมเกิดตายเกิดตายคณิกะมร น, นังตายช่วขณะนึงแล้วก็เกิดอีกตายอีกสันตติสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้ เราจริงนั่งทรงตัวอยู่ได้ถ้าลมไม่เข้าไม่ออกเราจะอยู่ได้ไหมฮะอยู่ได้ไหมไม่ได้ไม่มีอะไรได้ปรุงแต่งกลเลยกลแล้วก็อยู่ไม่ได้เขาก็เรียกสมมติว่าผีใช่ไหมอ้าเกิดตายเกิดตายเห็นอะไรเกิดตายไม่ไม่เข้าใจแล้วฮะ อะไรเกิดใจเห็นคัน5้าใช่ไหมฮะเห็นวิญญาณใช่ไหมเรียกแทนกันได้นะเห็นวิญญาณเกิดดับเกิดดับเห็นคัน5าก็ได้เห็นเราใช่ไหมใช่เราไหมวิญญาณนี่แหละคือตัวเราอถ้าไม่มีวิญญาณเราอยู่ไม่ได้ วิญญาณ น, นี่แหละคือตัวเราแท้ๆวิญญาณเกิดดับเกิดตายเห็นไหมยนอนย่านอนฟังอย่านอนฟังนั่งฟังเห็นพัานห้าเกิดดับหมวดที่สี่ท่านจะว่าเห็นธรรมในธรรมเข้าใจไหมรู้จักธรรมชาติไหม ลมหายใจคือกายกับใจคือทำรรมันชาติลูปทำนำํามทำเกิดตายเห็นอยู่อย่างนี้เกิดตายเกิดตา ย, ตายโอ้วันหนึ่งวันหนึ่งเราเกิดกี่พบกี่ชาติจะเท่นะเกิดแล้วกว็าตายอย่างนี้นับได้ไหมนะนับได้ไหมเคยสังเกต ด, ดูไหม พระงค์ให้สังเกตตรงเบื่อหน่อยสังเกตไปแม้ถ้าลบให้ยัไม่เข้าไปแล้วจะอยู่ยังไงแล้วจะอยู่ยังไงแล้วจะอยู่ได้ไหมฮะนี่เลยจะเกิดสลดสําเร็จขึ้นมา ท, าทันทีเลยแม้ถ้ามีอะไรขั้นอยู่ใช่ไหมล่ะมันไม่เข้าไปแล้วจะทํำยังไง ตั้มหข้วใจเจสั่งรถวิ่งไปหาหมอทันไหมล่ ะ, ะนี่ต้องดูอย่างนี้ดูไปดูมามันเที่ยงไหมอนิจจานุปัดสีตามเห็นวิญญาณหรือขันห่างกดดับเที่ยงไหม อนิจจะแปลว่าไม่เที่ยงอนิจจังอนิจจานุปัสสีเห็นธรรมในธรรมหมดที่หนึ่งหมดที่สี่ข้อที่หนึ่งอนิจจานุปัสสีฟังออกไหมอนิจจะที่หนึ่งคันห้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงฮเกิดดับเกิดดับเที่ยงไหม ตามเห็นว่าวิญญาณหรือตัวเราหรือขันห้าไม่เที่ยงเมื่อหายใจเข้าตามเห็นความไม่เที่ยงเมื่อหายใจออกอะไรไม่เที่ยงฮะตัวเรามันเที่ยงไหมวิญญาณเที่ยงไหมขันห้าเที่ยงไหมเห็นเห็นอันนี้จังหรื อ, อยังฮะเห็นหรื อ, อยัง เห็นทุกคนน น, นั่งอยู่เนี่ยใครไม่เห็นอยูเนี่ยฮะโอ้ยไม่เห็นแล้วไม่ไม่ฟังไหมห่เนาะไม่ทำด้วยไหมเกิดดับเกิดดับเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงดูจนเกิดไม่สังเกตถ้ามันไม่เข้าไม่ออกจะเป็นยังไงเรา หรือเข้าบ้างออกบ้างเราจะเป็นยังไงวินใช่ไหมล่ะโอ้ยมาดูน้อยม่ดูหน่อยไม่รู้ไปหายใจไม่ช่วยหรอกหายใจไม่สะดวกใช่ไหมล่ะเรียกหาญาติน้องหาสามีภรรยา ม, มาดูแล้วใช่ไหมท่านจนดูให้เกิดวิลาคารุปสี เบื่อหน่ายวิเสบาไม่ลาคะแปลว่ยายินดีดูจนเกิดไม่ยินดีไม่พอใจในลมหายใจถ้าเผื่อมันไม่เข้าสม่งเสมอรเราจะมานั่งอยูน่นี่ได้ไหมฮะมานั่งได้ไหม ต้องคิดไปนะเนี่ยถ้ามันไม่เที่ยงตามเห็นความไม่เที่ยงเมื่อลมหายใจเข้าออกเมื่อขันหา้าเออดับใช่ไหมละ่ะเที่ยงไหม เ, ออเมื่อไม่เที่ยงเราดูไปดูมาก็จะเกิดนิดพิทานิพิทาเกิดญาณในหนึ่งขึ้นมาในใจเกิดความรู้นะี่แหละเรียกว่ายา รู้ว่ายังไงรู้ว่าเบื่อหนไหเบื่อหนยหถ้ามันไม่เข้าออกเสมอกันเราจะเป็นยังไงฮะเราจะเป็นยังไงถ้าไม่เข้าออกเลยไม่ออกเลยเป็นยังไงเอยนี่แหละเกิดนิพพาจึงจะเกิดอันหนึ่งขึ้นมาวิลาขานุปัสสีข้อที่สอง หมวดที่สีข้อที่สองวิลาคานุปสีไม่ยินดีไม่พอใจลาคะแปลว่าอะไรยินดีพอใจวิแปลว่าไม่ไม่ยินดีไม่พอใจในลมหายใจอีกแล้วอยู่ไปอยู่มามันก็ใจจากเราไปใช่ไหม มันจะจากไปไหมฮะจากไปไหมนี่พระองค์ให้รู้จักกันเจริญวิลาขันวัตสีเมือ่อเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ดูเลยให้มันเห็นนะไม่ดูเล่นๆ น, นะดูให้มันเห็นว่าโอ้ไม่ยินดีไม่พอใจอีกแล้ว เบื่อหน่ายคายความยินดีนี่แหละวิลาคานุปัสีต่อไปก็เกิดนิโรธานุปัสีนิโรธแปลว่าดับดับขันห้าเมื่อเห็นหายใจเข้าก็ทำขันห้าให้ดับลงหายใจออกก็นิโรธแปลว่า ดับดับทุกได้นี่แหละอริยสัจสีไม่ยึ่อยู่ที่เกิดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงไหมเราเที่ยงไหมล่ะนึกว่าเราเที่ยงอยู่เลยนั่งอยู่เนี่ยเฮ้เฮ้ยเที่ยงอยู่เลย นี่ตามเห็นความไม่เที่ยงเห็นเกิดเห็นดับอยู่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่แหละทุกข์ในอริยสัจสีที่พระองค์จัดสรุวทุกข์หรืสุขฮะนี่มันเกิดมันดับพระอาญาโกนัญญะฟังแล้ว เข้าใจแต่ว่าสิ่งใดสิ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาก็เห็นดวงตาเห็นธรรมเห็นอันนี้จังอ่าเป็นธรรมดาเห็นมันเกิดดับเป็นธรรมดาอยู่นีกเรเรียกว่าเห็นธรรมดาดวงตาเห็นธรรมยังไม่เห็นทุกนะพอมาเทศกันที่สองอันนี้จังทุกครั้งนะจตา ยิ่งตัดสู้ได้สิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ฮะสุขหรือทุกข์ตัวเราอ่ะขันห้าสุขหรือทุกข์นี่แหละทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาฮะเราก็เห็นอนิจจังเห็นทุกขันเห็นอนัตตาขึ้นมา นี่แหละพระพุทธเจ้าดสรู้ตรงนี้สิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับอะไรเกิดดับต่อพร้อมกันโอ้เจ๋งมากขั้นห้าเกิดดับเที่ยงไหมขั้นห้าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่แหละทุกข์ในอริยสัจสีผู้ใดมายึดมั่นถือมั่นว่า ขันห้าเป็นเราลมหายใจเป็นเราวิญญาณเป็นเราเรียกว่าสมุทยัยเหตุเกิดแห่งทุกข์นี่ทุกสมุทยัยผู้ใดมารู้ว่าลมหายใจเป็นธรรมชาติใช่ไหมวิญญาณก็เป็นธรรมชาติจิตของเราก็เป็นธรรมชาติตกอยู่ใน กดทาไม่ไดไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราก็ดับละสมุทัยได้ก็เรียกว่าวีโลดดับทุกข์ได้ปัญญาเอามาดับทุกข์ก็ได้วะมักไม่องแปลกท่านจึงว่าเห็นยานตัวสี่สี่เิดมาปตินิสขานุปัสสี แต่ว่าทําความจางไข่ดับขั้นห้าให้จางไขยออกไปเมื่อลมหายใจเข้าหายใจออกปฏิญญิสข า, านุปัสสีทําความจางไข่ให้ขั้นห้า รู้ว่าขันหา้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราใช่ไหมลมหายใจเป็นเราเป็นของของเราไหมล่ะฮะเป็นเป็นเราไหมตายไปเขาเอาไปได้ไหมลมหายใจถ้าเป็นเราก็ต้องเอาไปด้วยนี่ไม่ใช่ของของเราใช่ไหมล่ะจึงทำความเบื่อหน่ายจางไขาวางขันห้าออกจางไขออกหายใจเข้าหายใจออก ทำความจางขายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่มีเหลือซึ่งขั้นหน้าได้สิ้นอาสวะกิเลสได้เป็นตัสลูตามพระพุทธเจ้าไปนี่แหละอาณาปานสติมีสีห่หมวดหมวดละสี่ข้อเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิต เห็นธรรมในธรรมนี่อานาปานสติบริบูรณ์ได้สติประทาน4ีเข้าใจไหมล่ะท่านนี่สติประทานตีเห็นกายในกายเวทนาในเวทน า, เ, นาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมกายเวทนาจิตเป็นสมถะเห็นธรมรมในธรรมเป็นวิปัสนาเป็นปัญญา เป็นปัญญาลู้แจงซึ่งขันห้าใช่ไหล่ะเห็นขันห้าเป็นอะไรฮะเข้าออกใช่ไหมเที่ยงไหมล่ะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเบื่อไหนคลายความยินดีในขันห้าจึงดับไม่มีเหลือซึ่งขันห้าสิ้อนอาสาลักิเลสนี่เป็นปัญญาดีมด สางข้อเป็นเ่ โ, โจมีหมดให้พากันนำไปปฏิบัติให้เข้าใจตีความหมายคำแปลของท่านให้มันออกตีความหมายไม่ออกก็เอาทรรมที่แสดงวันนี้ไปเปิดฟังเห็นธรรมในธรรมคือเห็นอะไรเห็นรูปธรรมในธรรมเห็นรูปธรรมนามธรรมคือกนันนาเกิดแล้วดับอีกไม่เที่ยง ไม่เที่ยงเป็นทุกขังอนัตตาเบื่อหน่ายคลายความยินดีนี่เห็นอริยสัจสี่เข้าใจเลยยังโยกย้ายไม่อริยสัจสีะสุขแลยทุกเนี่ยมันทุกอยู่ดีเกิดดับอยูน่นี่เป็นสัจจะคือความจริงอย่างนี้ห้ามได้ไหม อ่ามันเป็นความจริงอย่างนี้ใครห้ามไม่ได้ไม่ให้มันเข้าไม่ออกไม่เกิดใจนี่จึงเป็นสัจรธรรมคือความจริงอันนี้เห็นธรรมในธรรมเป็นนิพพานาอ่านี่แหละสติปัญสีคือลมหายใจอันเดียววัดตัดสู้ได้เข้าใจไหมละ่ะท่แน่น่าสนใจไหมหน่าทําดูไหมอยากทําดูไหม ไม่อยากไปพระนิพพานฮะไม่อยากไปเหรอโอ้ยนอนหลับพังไอยากไปอะไรพระนิพพานไม่สนใจเลยลที่นี่อานาปานสติบอลิบูลโอริโอเรนติแปลว่าบอลิบูลย่อมได้พูดชงจิตบอลิบูลอย่างที่พูดที่แรก โทษชงเกตก็ไม่อยู่ที่ไก่ทำที่พระพุทธเจ้าตัดสินรู้ก็ดมหาใจอันเก่าอ า, อานาปานสติบริบูรณ์ย่อมได้สติประทานตสีบริบูรณ์แล้วใช่ไหยเข้าใจแล้วใช่ไหมตอนนี้สติประทานตสีบริบูรณ์จะได้โทษชงเกตบริบูรณ์อ่ามันบริบูรณญยังไงเมื่อโทดชงเกตบริบูรณญก็จะได้ วิชาและวิมุตติบริบูรณ์อาวฟังต่อไปโพธชมเจตโพธชังโคสติสัง้งฆาโตที่เอาสวดอยู่เนี่ธรร ม, มนังวิจโยตถาวิ ร, ริยมปีติปัจจธิสมาธุเตกะโพธชังคามุนีนาธรรมทัคขาตาทาวิตา พระมุลีกตาทำให้มากจเจริญให้มากมุนีคือพระพุทธเจ้าทำให้มากจเจริญให้มากสร้างวัตตาติอภิญญาญะก็จะได้วิชาสามขึ้นมาเมื่อได้วิชาสามก่อนจะได้วิมุตตเกิดขึ้นนี่โทษชงเกตที่เราสวดอยู่อ่าเราก็มาพิจารณาดู มันยังไงจึงมาโทษชมทําทที่พระพุทธเจ้าจัรู้มีอยู่เจ็ดอ่าโชังโคสติสังฆโตเมื่อเอาสติยกสติขึ้นมาลูอยู่ที่ลมหายใจหรือเรียกว่าวิโตกก็ได้ ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเอาลมหายใจเป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตได้ยินไหมล่ะยกสติเอาสติยกจิตขึ้นสู่อารมณ์คุมจิตไม่รู้อยู่กับลมหายใจนั่นเองอ่าก็เรียกว่าสติสัมโพชงเราได้ทำแล้วง่ายไหมล่ะฮะ ตลอดวันไม่ไม่เคยยกสติมารู้คุมสติเอาเอาสติคุมจิตมารู้กับลมให้ใจทันทีใช่ไหมคุมไม่ได้วันนี้อา้าสติคุมจิตมาลูกับลมให้ใจก็เรียกว่าสติสัมโพชงเราได้ทําแล้วเราได้เจริญแล้วง่ายไหมละ่ะวันหนึ่งวันหนึ่งไม่หายใจทิ้งจ้องเอาจิต มารู้อยู่ที่ลมหายใจเกิดดับเกิดดับอย่นี้ก็ยกสติเอาสติคุมจิตมาลู้กับลมหายใจนี่ก็เรียกว่าสติสัมโพชงเราได้จเจริญแล้วอ่าต่อไปก็วิจัยดูธรรมเอาสติคุมจิตมาลู้กับลมหายใจเข้าใจไหมล่ะ ฟังออกไหมแค่นี้แล้วก็วิจัยดูวิจัยกับวิจารณ์กออันเดียวกันทนนะ ร, ร ม, มานังวิจยโยตถาวิจัยดูธรรมทำในที่นี้ก็คือลูกธรรมนามธรรมใช่ไหมลูกธรรมนามธรรมคืออะไรตอบฮะข้างหลังได้ยินไหมล่ะลูกธรรมนามธรรมคืออะไร คือลมหายใจคือขั้นห้าเอาลมหายใจมาวิจัยดูวิจารดูที่แรกที่ตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เรียกว่าสติสัมโพสชงเราได้จเจริญแล้ววิจัยธรรมก็เอาลูกธรรมนามธรรมคือลมหายใจมาวิจัยดูลมหายใจสั้นเกินไป เป็นยังไงลมหายใจยาวเกินไปเป็นยังไงความรู้สึกเราเป็นยังไงให้ใจดูให้ใจยาวดูยาวออกยาวจนสุดท้องดูยาวมันเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงยาวพอดีดูอออกยาวเข้ายาวพอดีอยู่เป็นยังไง เอาออกยาวแรงๆดนูนี่หนักๆดูเป็นยังไงนะยาบยาบ่เบาเบาลงเป็นยังไงนี่วิจารนดูวิจัยดูวิตกวิจารดูอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมมานังวิจโยตธาก็เรียกว่าเราเอาธรรมะอันใดอันหนึ่ง ไม่รู้ว่าลมหายใจสัน้นหายใจยาวเอาขันหา้าเอาลมหายใจเอารูปทำน้มทามาวิจัยดูเข้าใจไหมลมยาวเป็นยังไงยาวเกินไปเป็นยังไงนี่วิจัยดูวิจารณ์ดูอยู่อย่างนี้วิลิยมวิลิยะแปลว่าอะไร ความเพียรวิญยัมด้วยความเพียรไม่ใช่ดูสองครั้งสามครั้งนะยาวละเอียดยาวออกยาวละเอียดสีครั้งห้าครั้งดูสิบครั้งดูเอายาวหยาบดูเข้ายาบออกหยาบดูพิจารณาดูอย่างนี้นี่แหละด้วยความเพียร ด้วยวิริยะความเพียรอยู่อย่างนี้เป็นนาทีสองนาทีสิบนาทียี่สิบนาทีก็จะเกิดนี่แหละเรียกว่าวิริยันวิริยะด้วยความเพียรวิตกวิจารู่ด้วยวิริยะก็จะเกิดปีติขนลุกขนพองสยองก้า เกิดเยือกเย็นเกิดเบาตนเบาตัวข um ึ้นมาเหมือนจะลอยเหมือนจะหอถ้าไปทําดูนะเนก็เรียกว่าปีติเอาไปมาล้มให้ใจก่็เบาลงเบาลงเรียกว่ากายละหุกายคืออะไรด้วยกายไหมพวกเรากายคืออะไรต่อพร้อมกันให้ชื่นใจหน่อย กายคืออะไรก็ลมหายใจเข้านี่ก็เรียกว่ากายในกายละหูลมหายใจเบาเรียกว่าละหูใช่ไหมละ่ะเบาลงเบาลงเบาลงเบาล ง, าลงกายระงับลมหายใจดับลงหรือว่าทางนั้นก็เรียกว่าปัดสัมพยังกายสกายสังขารลงดับกายยสังขารลง ปัดช้พยังคือทำกายสังขัญให้ระงับดับลงกายระงับคือลมหายใจดับลงกิดก็ระงับเรียกว่าปัดสัตยพิวิลยำปีติก็เกิดปีติขึ้นโบโลงเบาลงก็เกิดปัดสธพิปัสธพิแปลว่ากายระงับ จิตระงับกายในที่นี่ไม้ถึงอไรอหฮะล้มหายใจระงับลงจิตระงับลงคือขั้นห้าใช่ไหมกายแล้วยระงับจิตระงับก็ไม้ถึงขั้นห้าดับลงนี่หละปัดสับัิสมาธิเปกระโพาทั้งขามาก กายละงับกิแล้งับจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเท่านี้ไม่ทำอยากอะไรจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือเขาเรียกว่าสมาธิหั่นจิตตั้งก็เดียวกันจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิรู้รู้ ร, รู้อยู่เฉยๆเรียกว่าคันห้าดับลงใช่ไหมอะไรคือคันห้าตอบแรง ฮะลมหายใจเข้าออกคือขันหาดับลงนี่แหละปัจสัติกิต ด, ดับลงกายดับลงกิจของเราก็หลุดพ้นจากขันหะใช่ไหมออกหนีจากลมหายใจไปเรียกว่าเอกาทิพภออกไปเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่เฉพาะเขาอยู่ เอกาธทิพโวกิจก็รวมตั้งมั่นเป็นสมาธิมีอารมณ์สองอุเบกขาเอกคตาลมแล้วก็ได้สมาธิแล้วก็จะได้อุเบกขาใช่ไหมสมาธุเปกะโพชั่งคาเปขานี่ยคนะืออุเบกขานี่นะมุนีนาสัมมาสคตา พระมหาโมนีคือพระบริเจา้าพระวิตาพระมุทิก า, าทำมห้มากเจริญให้มา ก, น, มากนั่งสมาธิจิตสงบอยู่สองสามชั่วโมงจิตพักผ่อนเอ็มที่จิตจะมีพลังแ ก, ก่กล้าเหมือนกับเรารับมีดผลมีดรับอาวุธผลอาวุธ สมาธิเปรียบกับเหมือนหินรับมิคิดเราจะคมจะกล้านั้นได้พักผ่อนเหมือนเรานอนหลับตลอดคืนตื่นขึ้นมาจิตเราเป็นยังไงแช่เชื่อนไหมแช่เชื่นเบิกลอๆไม่ตื่นใหม่ๆอันนี้เข้าสมาธิออกใหม่ๆนี่นี่นี่ได้จิตพักผ่อนแล้วนี่แหละพระองค์ชายจิต จิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้า ง, งานได้จิตเห็นจิตแล้วจิตคืออะไระจิตคืออะไรเห็นจิตเคยเห็นจิตหรือยังพวกเราแม้ป่านนี้ไม่เคยเห็นจิตเลยเคยเห็นผู้รู้ไหมะอะไรไปรู้เมื่อใจเห็นโลก ฮะใครไปรู้รูปนั้นรูปนี้ฮะฮะใครไปรู้ให้ฮะนั่นนั่นเลยจิตจิต ก, ก็คือผู้รู้เนี่ยผู้ไปรู้ว่ารูปนั้นรูปนี้คนนั้นคนนี้เสียงนั้นเสียงนี่นั่นจนะิตคือผู้รู้เมื่อนั่งสมาธิไปก็เห็นแต่ผู้รู้รู้รนี่อหไรลยเห็นจิตก็เรียกว่าเราจับจิตได้ เราจับจิตได้เวลาออกจากสมาธิมาเราก็จะใช้จิตของเราให้ทำงานนี่แหละได้วิชาขึ้นมาก็จะได้ยิมุตใช้จิตทำงานเคยใช่ไหมละ่ะใช่ให้มันคิดอันนั้นอันนี้เคยใช่ไหมอันนั้นคิดทางโลก ทีนี่พระพุทองค์ ông, ให้คิดไปย้อนหลังไปดูชาติก่อนเราเกิดเป็นอะไรบอกมันได้ไหมบอกผู้รู้ได้ไหมฮะบอกได้ไหมก็บอกหมือนถ้าเราจับยันไม่ได้แม่งก็บอกยังไม่ได้ถ้าเราจั บ, บ จ, จิตได้แล้วเราก็สอนจิตให้มันคิดย้อนหลังดูเมื่อวันเราไปอะไรเดือนก่อนเรา ไปททำอะไรย้อนหลังไปไปรับเงินยาเขาได้เท่าไหร่คิดไปนี่ย้อนหลังบุเพที่วาส า, านุสติญาณย้อนลรกชาติหลนหลังได้เนยกออกใหม่นี้แหละบุเพท่วานะส า, านุสติญาณมันเป็นม่ปนยากอะไรถ้ากิดลงไปถึงฐานใหญ่เป็นสมาธิแล้ว อุเบกขารู้เฉยรู้เฉยอุเบกขาพ่อช่างโพแล้วก็น้อมจิตคิดย้อนหลังไปก็เรียกว่าบุกเพนิวาสารุสติญาณเมื่อวานนี้ไปทำอะไรเดือนก่อนไปอะไรกับใครปีที่แล้วย้อนไปชาติที่แล้วนึกออกไหม วิธีคิดย้อนไปย้อนกลับหลังไปถอยหลังไปเรียกว่ายานละเลึกหวุนหลังเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณพระองค์ก็ใายอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะทีนี้ต่อไปท่านก็มารู้ จุดตูปต่าตะยันร่วาดวงวิญญาณของคนนี้เขาตายไปแล้วจะไปจุดติจุดตูแปลว่าจุดติแปลว่าเกิดเข้าใจไหมล่ะไปเกิดที่ไหนท่านก็ดูอแต่ก่อนก็มีคนไปถามท่านบ่อยๆคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดไหนคนนั้นตายไปแล้วเกิดไหนท่านที่เกียถพูดท่านก็ตัดออก ที่ย้อนไปดูได้เข้าใจไหมจุตูปปาตายะนันคนที่เล่าตายไปแล้วไปเกิดอยู่ที่ไหนเราก็ย้อนจิตไปจับเอาชื่อของคนนั้นเขาไปอยู่ไหนวิญญาณเขาไปอยู่ไหนก็จะไปเห็นอยู่นอนอยู่เมืองนรกเพราะว่ากรรมที่เราเขากินเล่า เมาสุลาเล่นชู้กับผัวกับเมียก็ไปตนกนรกอ่าคนนั้นทำบุญทำทานมากๆไปเกิดไหนพระเจ้าข้าก็ไปเกิดอยู่สวรรค์จุูตีบนสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ก็เรียกว่าจุตูปปาตยานแน่นึกออกไหมล่ะเพี่เนี่ยน่ได้วิชาสาม หรือได้ยานสามอันนี้สองอยานแล้วสองอยานนี้อ่ปุตุชนคนสามัญธรรมดาก็ทำได้ส่วนอันที่สามสองอยานนี้เรียกว่ายานโลกีโลกีญาญานโลกเขาก็ทำได้ส่วนยานที่สามคืออาสาวยายาัคคญาญา บุคคลธรรมดาสามัญทาไม่ได้ทำได้แก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจิเกศพระพุทธเจ้าพระรหันที่นั่งจิตสงบแล้วแค่มั้ะจิตสงบได้เจโตไปหมดแล้วท่านใช้จิตย้อนหลังไปได้ท่านใช้จิ ต, าจตมาดูมาดูเนี่ยดูกายของเราเนี่ยอาสวะแปลว่าอะไร ฮะอาสว่ากิเลสอาสวะขยายานยานสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสอาสวะคืออะไรคือกิเลสใช่ไหมมันเกิดจากไหนท่านก็ดูได้เราก็ดูได้เหมือนกันใช่ไหมมันเกิดจากไหนกิเลสฮะใครพูดให้ฟังกิเลสมันเกิดจากไหน ฮนะตาเห็นลูกผู้หญิงก็เห็นผู้ชายหล่อๆก็อยากได้มาเป็นสามีกันใช่ไหมล่ะโอ้ยเราไม่เคยเจอจเป็นสาวอยู่นะาะว่าไงนนะ <c oughs> ไม่มาเลาะดอกเหนือก็คิดเหมือนกันนะผู้หญิงอะผู้ชายแต่เหมือนกันเห็นผู้หญิงสวยๆอือก็คิดเหมือนกันนี่แหละลกิเลสเกิดจากความคิดนี้เองใช่ไหมล่ะ กา ม, มาสวะนี่กามมะคุนหา้าลูกเสียงกลิ่นรสผดทพะเรียกว่ากามใช่ไหมกามมาสวะอาสวะคือกามมันเกิดจากไหนนี่เราก็รู้เกิดจากขันหานี่เองตาหูเกิดจากนี่ใช่ไหมใช่ไหม รับรองไหมจมูกลิ้นถูกกลิ่นหอมๆเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นมาใช่ไหล่ ะ, ะนี่ตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบกับลูกเสียงกลิ่นรสผัวทพะมันก็มาบอกใจกายกับใจใจก็คือนามธรรมตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่าลูกธรรมใช่ไหมมันเกิดจากนี่ ยี่งเละเลยไปเห็นมาแล้วถึงพูดให้ฟังได้มันเกิดจากนี่มันเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นมันเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูอายตนะภายนอกภายในกระทบกันลูกภายในตาหูจะมุกดิ้นกายเรียกว่าลูกภายในตาหูจะมุกดิ้นกายใจเรียกว่าลูกภายในไปกระทบกับลูกภายนอกมันก็ไม่บอก ใจใจนี่แหละผู้รู้เขา้าใจไหล่ะใจก็รู้ให้รู้แล้วไปยึดไปถือเขาเรียกว่ากิเลสหลงรู้หลงถ้ารู้แล้วละละวางเรียกว่าพุทโธเรียกว่าธัรมโมเท่านี้เนี่ยอาสวะเกิด ต้องรู้จักอาสวะรู้จักอาสวะอะไรอย่างทิเลสอาสวะกามาสวะเคยได้ยินไหมฮะแม่ไม่ได้ยินเนี่ยกามาสวะเกิดจากการมราุหนหาเนี่ใช่ไหมละ่ะฮะเวาสวะ อะไรล่ะกรมมาทวะสมุทัยกามาัญหาใช่ไหมเพราะว่าจัญหาวิใช่ไหมวิเพรว่ัญ ห, หาคืออะไรล่ะรู้จักไหมล่ะกา ม, มาัญหาก็คือเกี่ยงตายโอใช่ไหมเข้าใจแล้ว ภาวะเจัิหาทบเกิดจากลูกชาญเข้าใจไหมลูกโลกกรรมมาโลกลูกโล ก, ล ก, โลกอัลูกโลกนี่วิภาวะเจริญหาคืออันลูกโลกอันลูกชานคนเราก็มาติดอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี่ติดอยู่ในโลกหยาบหยากกรรมมาโลกเข้าใจไหมละ่ะ นี่แหละกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาเราจะออกจากตัญหาสามอย่างเนี่ยผู้นั่งสมาธิได้ลูกชานก็ไปติดอยู่ในรูปลาคาติดในลูกชานกามะภาตัญหาภาวะตัญหาเนี่ยภาวะตัญหาเกิดอยู่ในกาม อ, าอยู่รูปโลกพมโล วิภาวะตันหาเกิดอยู่ในอารมณ์ผมเรามาติดอยู่ในนี่สมัยหัวยาไปศึกษากัพอาลาลดาบุตรอัสิตาดาบุก็ไปท่านก็สอนได้แค่นี้จึงหลุดพ้นไม่ได้พราะมาติดอยู่ในกามมรคุนหายติดในรูปฌ า, านอารมณฌานอจึงไปเกิดอยู่ผมมาโลก เคยได้ยินไหมล่ะกามตัญหาภะวะตัญหาวิภวะตัญหารูปฌานรูปฌานอารมณ์ของฌานที่เห็นอยู่ก็คือรูปภายนอกมันเกิดอยู่ที่มนโนของเราเคอใจใช่ไหมนั่งสมาธิไปใจสงบนั่นแหละมันเกิดอยู่ที่ใจใช่ไหมออยู่ในทวารเดียวส่วนกามมคุณห้ามันเกิดอยู่ในหลายทวาร ส่วนภาวะจันหายู่ภาวะจันหามันเกิดอยู่ที่มโนเขายังไงไม่ล่ะมะโนคืออะไรเออเกิดอยู่ที่ใจคำว่าสงบอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นอารมณ์ภายนอกเข้าไปประกอบอยู่ที่ใจของเราวิญญาณรู้ขึ้นว่าสงบอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่านามธรรมใจเรียกว่ารูปธรรม ลูกทำนามทำเรียกว่าขันห้าใช่ไหมนี่แหละขันอันสุ ข, ขุมลูกชานอ่าเข้าใจไหมละ่ะละได้ต่อเมื่อไม่เห็นว่าชานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตกอยู่ในใต้ลัพยานใช่ไหมอันนี้จังทุกขังอาจายยังเรียนว่าแต่เกิดอยู่พระองค์จึงดับ าารูปราคะอาลูปราคะได้ถ้ามาติดอยู่ในนี่เรียกว่าอารมณ์โมนิตจัจจานติดอยู่ในรูปฌ า, อามมนอะลูปฌานถ้ามาติดอยู่ในอลูกฌานก่อนเหมือนกันอารมโมนูต่อเมื่อเรามาเห็นฌานตกอยู่ในกดใจระยานอนิจยังทุกขังอนัตตาจึงดับโลกทั้งสามไดโลกใดโลกหนึ่งกิดก็ ดับโลกได้รู้แก้ยึงโลกดับโลกได้ยึงไม่มาเกิดอีกก็เข้าสู่พระนิพพานใช่ไหมล่ะนี่มันไม่อยู่ไกลนี่นี่เรียกว่ากามโลกรูปโลกโลกับรูปโลกนี่แหละมันการ ม, มันเกิดจากนี่รู้จากกาม รู้จากอาสาวะเหตเกิดอาสาวะอะไรมันเกิดจากไหนอาสาวะฮะเกิดจากอาวิชชาได้ยินไหมละ่ะหลงว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าหลงว่าฌานเป็นเราเราเป็นฌานหลงว่า กายเป็นเราเราเป็นกายใช่ไหมล่ะตาจังเป็นเราไม่เห็นลูกพวาว่าเราเห็นใช่ไหมล่ะนี่แล้ยิ่งเสียงว่าเราได้ยิ น, นยมันเกิดจากนี่ต้องรู้จักอาสวะเหตเกิดอาสวะเหตุเกิดอาส ว, วะก็เพราะอวิชชาคือความรู้ไม่จริงนี่เองต้องรู้จักความดับอาสวะ อาสวะดับอาสวะจะดับอะไรอาสวะยังจะดับฮะดับอะไรอะไรดับอวิชชาอาวิชชาดับเราไม่มีตายเป็นลูกมีคนไปยินดียินลายไหมที่มันดับก็ว่าหลงหลงว่าเราเห็นนี่เอง ดับอวิชชาลองอาสวะอวิชชาดับอาสวะก็ดับง่ายไหมล่ะที่ไหนฮะนี่นอวิชชาดับอาสวะก็ดับปัญญาอมาดับก็คือโลกุตระปัญญาปัญญาทัศนาเล็นเห็นอริยสัจสีคือทุกข์สมุ ท, ทยัยนีโรธมา ทุ ก, ก็คือขั้นห้าเกิดดับตากับลูกกระทบกันวิญญาณตาเรียกว่านามลูกกับนามเกิดดับใช่ไหมล่ะถ้าเอาเราเข้าไปบวกก็หลงก็เกิอดอาสาวะขึ้นมาเกิดกิเลสขึ้นมาถ้าเราไม่ไม่มีเราเห็นไม่มีขั้นห้ามันทำงานอยู่เช่นนั้นเองตัดขาดตาย ไม่มีใครไปรยึดมั่นถือมั่นมาเป็นเราก็ละสมุทัยได้ก็เรียกว่า น, นี่โรภเท่านั้นเองง่ายไหมละ่ะถามว่าถ้าไ่านนี่แหละอาชวะเหต่เกิดอาชวะรู้จักอาชวะกามอาชวะภาวาชวะอะไรอีกฮะ อาวิชาสวะหรือรู้จักอะไรลูกชานอรลูกชานกามมาโลกอาสวะคือกามกามมาสวะพวาสวะคือลูกชานวิภาวะก็คืออาลูกชาน เราดับอาสวะสามอย่างได้ก็ลองมารู้จักอาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะแนวทางปฏิบัติเพื่อดับอาสวะนี่แหละเรียกว่าวิชาสามอันนี้อาสาวะขยายาททาได้แต่พระพุทธเจ้าพายรหันพระประเจกพุทธเจ้า ดับอาสวะได้สินไปแห่งอาสวะกิเลสซึ่งเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี้ก็มีสิทธิจะดับได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมตามีไหมหูมีไหมอ่าเป็นพัสดบันประเภทที่สามหรือยังละสักยาทิฏฐิได้เห็นว่ากายสังเกตว่ากาย ใช่ไหมล่ะไม่มีสัตว์บุคคลตนๆ อ, อ, อ, อ, อย่างนี้ตายเห็นลูกมีคนเห็นไหมล่ะก็รู้เฉยๆกนเรียกว่าตัดสันรู้เท่านั้นเองรู้แล้วไม่ยึดไม่ถือถ้ารู้แล้วไปยึดไปถือเรียกว่ารู้หลงเรียกว่าสมุทัยถ้ารู้แล้วไม่ยึดไม่ถือไม่มีเราเห็ น, หนขันห้าไม่ใช่เราเราไม่ใช่ขันห้าและสักเพะทิฏฐิได้ใช่ไหมล่ะก็ฝึก สติผู้มาภาวนาก็ย่อลงมา เ, เอามาทำอะไรมาทำอะไรเวลาไหนเมื่ อ, อไรเท่านี้มาไม่ทำอะไรมาฝึกเกีรตได้ยินไหมล่ะมาฝึกเกีรตมาอบรมเกีรตเมื่ อ, อไร เมืออ่ อ, อ, อไรฮะเมื่อไรหืมเมื่อตายเห็นโลกได้ยังไหมหูได้ยินเสียงเพื่อไม่ให้เกิดโลกเกิดโกรขึ้นมาเพื่อไม่ให้เกิดเวทนาเวทนาดับเย็นก็เป็่นพระนิพพานาอาววันที่วันนี้ก็่อ่าชั่วโมงครึ่งพอดี เราก็นําเอาอาณาปานสติมาคําสอนของพระเจ้ามาแสดงให้เราท่านทั้งหลายฟังพอประดับสติปัญญานะอาณาปานสติบุคคลใดเจริญทำให้มากแล้วย่อมได้เจโตวิมุตเมื่อได้เจโตวิมุตแล้วก็ได้ปัญญาวิมุตติ กิจหลุดพ้นจากขันห้าสิ้นอาสาวกิเลสนะพระองค์จัดเอาไว้อานาปานาสติบริบูรณ์แล้วย่อมได้สติประฐานสี่บริบูรณ์ก็แสดงให้ฟังแล้วเมื่อสติประฐานสี่บริบูรณ์แล้วย่อมได้โทษชงเกตบอลลีบู์เมื่อโทษชงเกตบริบูรณ์ย่อมได้วิชาวิชาสามยานสาม เท่าใหรไหมบุเพจุตุอาสาวัชเนี่ยยานสามใช่ไหมแล้กวก็ได้วิมุตหลุดพ้นจากขันหาสินอาสาวิกิเลดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังพอมีด้วยประการและชานนี้สาธุสาธุสา